ท่านคลองขันอยู่ครองขันพระอหัน์ที่ครองขันอยู่นี่พระมหากัสปะท่านเคยเปรียบเทียบบ อ, อกจิตใจของท่านนะ่สะอาดหมดจดเหมือนคนหนุ่มคนสาวอาบน้ำใหม่ๆนะลมน้ำหอมแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าใหม่ๆสวยงามนะมีเครื่องประดับสวยงามแต่ว่าเสร็จแล้วก็ต้องเอาสุนัขเน่าๆตัวหนึ่งห้อยคอไปด้วยเนะั็นความรู้สึกไม่เหมือนพวกเรา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 ขุนนางอะไรต่ อ, อะไรนี่ไม่นับถือพระเจ้าแผ่นดินผู้หญิงนี้แกฉลาดแกก็สั่งให้ตัดเอาเสาสะพานตัดเสาสะพานสะพานเป็นไม้ให้เอาเสาสะพานอันหนึ่งมาเปลี่ยนเสาซะเอาเสาอื่นไปแทนเอาไม้เสาสะพานเนี้ยมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปเอามาตั้งไว้นะขุนนางมาเจอนลขุน น, นางก็กราบแกก็เลยสอนบอกว่าเนี่ยเรากราบใช่ไหมเราไม่ได้ดูที่ว่าทำมาจากอะไร กลับเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปแนละ้คนจะ ก, กำเนิดจากอะไรก็ตามแต่ตอนนี้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วนี่ก็ควรจะกลับเปรียบเทียบอยนิดนึงนี่เขาฉลาดนะเขาไม่ได้หักหานเลยว่าแกต้องเคารพนะอะไรเงี้ยเขาฉลาดงั้นอย่างพระพุทธรูปนะทําด้วยอิดด้วยหินด้วยทองเหลืองทองแดงอะไรก็กลับได้เพื่อระ ล, ะลึกถึงพระพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่กลับแบบเทวรูปนะกลับให้เฮงให้เฮงไม่เฮงหรอกะ นั ก, กลาบให้ได้ถึงคุณธรรมความดีของพระพุทธเจ้าถึงจะใช้ได้อย่างพระธาตุนะพระธาตุทุกวันนี้เยอะแยะบางคนอยากได้คนเอามาให้หลวงพ่อเรื่อยๆนะหลวงพ่อก็ไม่รู้ไปไว้ไหนแล้วแจกต่อตอนรัชะกาลที่ห้าเนี่ยอังกฤษขุดพบพระธาตุที่อินเดียอยู่ในพระอบหินที่กบิลพัทแล้วก็มีจารึกไว้เลยว่าเป็นพระธาตุ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าพระสมณะโคดมอังกฤษนยกให้ไอการที่ห้าเอามาลงเรือมานะมาขึ้นที่ปากน้ำเนี่ยก็ทำฉลองกันใหญ่พอเปิดออกดูนะเหมือนกระดูกธรรมดานี่เหมือนกระดูกธรรมดานี่แหละคนไทยนะเคยชินพระธาตุเป็นแก้วใสๆนะชักงงไว้ยทำไมของพระพุทธเจ้าเป็นกระดูกธรรมดาชักงงงงชักจะไม่เชื่อ บอกว่าวันนั้นนะ่ะก็เปล่งพระรัศมีออกมาสว่างไปทั้งจวนข้าหลวงนั่นเลยพวกขุนนางพวกเจ้าที่ไปรับนั่นก็เลยเชื่อเอามาใส่ไว้ที่ภูเขาทองนะเงั้นพรธาตุในเมืองไทยที่มีหลักฐานแน่นอนนะ่ะมีอยู่ที่เดียวนี่แหละคือที่ภูเขาทองแต่ภูเขาทองเป็นเจดีที่ไม่มีใครไป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 อย่างบางทีเราพอนานนะมันเกิดความรู้ความเข้าใจอะไรขึ้นมาเป็นระยะระยะไปเป็นลําดับลําดับไปตอนที่มีความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นจิตใจมันจะมีความสุขอยู่ช่วงหนึ่งไม่เกินเจวันหรอกแต่ถ้ามีความสุขจากการมีสตินะัสุขที่ลักษณะเท่านั้นนะแวบเดียวก็หายแวบเดียวก็หายถ้าสุขจากสัมมาส ม, มาธินั้นะก็สุขไปได้เรื่อยๆสุขไปเรื่อยๆถ้าสุขของปัญญานะีไม่เกินเจ็ดวันอิ่มเอิบอยู่งั้นนะนะไม่นานเดี๋ยวก็หายไปอีก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 จิตได้รับความลําบากตัณหาดับไจจิตก็เป็นอิสระขึ้นมาชั่วครั้งชั่วคราวนะเสร็จแล้วกิเลสเนี่ยมันจะแฝงตัวเข้ามาอย่างรวดเร็วเลยแต่เดิมนั้นกิเลสหยาบหยาเล่นงานเราสะบักสะบอมพอรหัดจเจริญสติมากเข้ามากเข้านะกิเลสหยาบหยาบทำอะไรไม่ได้แล้วพอใจไหวกิเลสปรุงกิเลสแวบขึ้นมาสติพัญญามทํางานอัตโนมัตินะกิเลสดับไปคราวนี้กิเลสต้องแปลงรูปแปลงโฉมใหม่ะ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 คิดมากไปปัญญาลรำหน้าพอปัญญาลรำหน้านะั้นคิดทำมาโอ้ฉันเข้าใจขาเข้าใจแล้วมันมีความสุขขึ้นมาพอมีความสุขนะพอใจล้วพอใจโอ้อยู่ตรงนี้แหละเห็นไหมโลกกาตแว่างเปล่าต้องทํำตาลอยๆนี่โลกกาะแว่างเปล่าแล้วนะไม่มีอะไรเลยนะแต่เวลาเจอคนอื่นนะก็จะเปลี่ยนโล ก, กตาเป็นอย่างเงี้นี่ฉันแน่มากเลยนะฉันแน่ชั้นหนึ่งนะ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 แต่ไม่มีหางเสือลอยเต้งเต้งเๆ้งเต้ไปทางไหนก็ไม่รู้นะ้ําบังคับไม่ได้ไร้ทิศทางจะเกยหินโสโครกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะจะถูกน้ําวนดูดไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทํำอะไรไม่ได้สักอย่างช่วยตัวเองไม่ได้พอได้โสดาบันมันจะรู้สึกเหมือนเรือมีหางเสือนะอยังเจอพายุเจอคลื่นลมอยู่นะยังพอจะประคองตัวหลบหลบหลีกๆได้บางทีก็รอดแล้ไปเลยพระโสดาบันบางทีรอดแล้ไปเลยก็มีนะอย่างนางวิสาขาเป็นต้น